การสร้างจิตให้มีพลังตามหลักของพระพุทธเจ้าสำนักกรรมาฐานในเมืองไทยเนี่ยสอนแบบไหนพอเห็นไม่ว่าเขาสอนกันแบบไหนบางสำนักก็เอาสกวดจิตมาแทรกบางสำนักก็เอาอำนาจเบื้องบนพระอินทร์พระพรมหรือผู้วิเศษทั้งหลายเข้ามาช่วยพลังจิตซึ่งมันขัดกับหลักของพระพุทธเจ้า